ฟงังัปพวกเราที่บวดกันเป็นเรนเป็นพระไม่เป็นเนี่ยขาวเน่ยดำก็าตามปฏิบัติธรรมะบางคนไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมะคำว่า ป, ปฏิบัติธรรมะต้องมีจุดสาหันจุดหนึ่ง ที่เราตั้งใจเอาไว้การตั้งใจของเรานั้นต้องตั้งใจเพื่อว่าจะปะปฏิบัติตัวเราเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงในทางพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเห็นเขาทำาก็ทำไปหรือเห็นเขาเล่นเขาเล่นไปเกลียดค้านก็พักผ่อนไป ยิ่งมีคนคิดขยันก็ทําทไปวันละนิดวันนัหน่อยเพะนั้นถือว่าเรายังไม่มี่งคบสนใจกันหรือยังไม่มี่งคบตั้งใจกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อพูดถึงที่อนี้ผมเคยปฏิบัติมาที่นํามาเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่อวดดีเอาคนจริงมาพูดให้ฟัง การปฏิบัติธรรมนั้นที่แรกผมเองเข้าใจว่าการปฏิบัติแล้วก็มีอิทธิหรือมีกาลังอันนั้นมันเข้าใจผิดเมื่อตั้งใจได้ผิดการปฏิบัติมันก็เลยผิดไปเราจะไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะข้อแรกที่สุดนั้นเราต้อง ปฏิบัติที่ตัวเราเพื่อให้รู้ที่ตัวเรานี่เองนี่เราศึกษาในตำรับตำลาในกฎชี้เข้ามาที่ตัวเราจนเราเลยไปติดตำรับตำลาก็เลยไม่รู้ที่ตัวเราแล้วครูบ า, าอาจารย์คนหลายท่านสอนไปด้วงเหมือนกันแต่องค์ที่สอนนี่นแหละเราต้องคานวณองค์ที่สอนเรานะ ท่านรับรองได้ไหมคำพูดของท่านคําท่าหาท่านยังรับรองไม่ได้คาพูดของท่านนั้นยังไม่เป็นแก่นเป็นสารมันไม่มีสาระยัง ไ, ไม่มีเนื้อหาเพราะท่านเองก็ยังไม่รู้เราต้อเข้าใจอย่างนั้นบุตรนี้ให้เป็นบุตรสำคัญที่สุดเราจะวินิจฉัยดังนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี้ ท่านเคยศึกษาและเรียนมามากท่านไม่ได้รับรองในคำสอนของท่านที่ท่านยังไม่รู้นั้นท่านไม่รับรองแต่ท่านก็เลยไม่ได้สอนใครทั้งหมดเลยต่อเมื่อท่านมาศึกษาและมาปฏิบัติตัวท่านเองเมื่อจะเรงยนสติจะเริญปัญญาท่านมีสติท่านมีปัญญารือมีญาณปัญญา ยานรูดแจ้งรูดจริงแล้วท่านก็มีามห่วงใหญ่กับเพื่อนท่านก็เอาแหละแบบนี้เราต้องพูดขมจริงพอดูท่านพูดขมจริงพวกท่านเคยได้รินไหมมีนักบวชเหมือนกันนั่นเนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าปากาชีวกคนหนึ่งที่กำลังแสวงหาธรรมะต้องการอยากรู้ธรรมะ อยากหาธรรมะวิธีที่ทางค้นทุกข์ือทางดับทุกนั่นแหละมันต้องการคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นแหละเมื่อไปพบเอากับพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงความจริงให้ฟังไม่เข้าใจเขเลยสลัดหัวไปเลยอันนั้นแปลว่าแสดงความจริงให้ฟังแล้วไม่เข้าใจ เมื่อเราไม่เข้าใจแล้วกับการปฏิบัติของเราก็เลยไม่ได้ผลอันนี้ก็เหมือนกันคนสมัยนี้เมื่อต้องการคนจริงเมื่อหิบบุกคนพูดคนจริงให้ฟังก็เลยไม่สนใจผมเคยได้ยินบ่อยๆใครๆเขตามพูดคนจริงให้ฟังแล้วไม่ไม่สนใจไปสนใจเอาสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีเนื้อหา ชอบคนามสนุกเฮหาไปอย่างนั้นอันนั้นแปลว่ายังไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาหรือว่าไม่สนใจทางดับทุกข์ตัวเองนี่เป็นอย่างไรในนั้นวิธีที่เอามาปฏิบัติจริงๆนั้นคือปฏิบัติตัวเราอย่างที่เราทําวัดจบไปเมื่อกี้นี้ว่าเราจงอย่าอย่าเป็นผู้ประมาท เราอยากเป็นผู้ประมาทคันว่าประมาทในที่นี้ก็เราลืมตัวนั่นแหละนี่บอกคนประมาทคือไม่ศึกษาที่ตัวเรา น, นเนี่ยเมื่อเรามาศึกษาที่ตัวเราก็แปลว่าเราเป็นคนไม่ประมาท ศ, ศึกษาที่ตัวเราก็ทําคนารู้สึกกับตัวเราข้อแรกที่ศึกเราต้องกำหนดรู้ให้มีสติกำหนดรู้ตัวเรา อันนี้เป็นการศึกษาและเป็นการปฏิบัติไม่ใช่การศึกษาเล่าเรียนการศึกษาเล่าเรียนนั้นมันพคดอยู่นอกตัวเราการศึกษาและปฏิบัตินั้นมันต้องปฏิบัติที่ตัวเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดมันทาอย่างไรมันพูดอย่างไรมันคิดอย่างไรเราต้องมองทะลุเข้าไปที่ตรงนี้เมื่อเรามองที่ตรงนี้ เราก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจความรู้ความเห็นความเข้าใจนี่มีสองประเภทที่เรารู้มีคนอื่นพูดให้ฟังเรารู้อันนั้นเป็นเพียงความคิดหนึ่องพึ่งไม่ได้ความคิดประเภทนั้นเนี่แก้ทุกแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คนรู้สักนิดหนึ่งมันรู้ขึ้นมาจากจิตนึก เ่วายานของปัญญารู้ไม่ใช่เป็นปัญญารู้ยานของปัญญาคือมันมียานยานแปลว่ใจรู้ทัศน์รู้แล้วกัปัญญาก็คอยรู้ตามหรวิภาควิจารณ์จะตามอันนั้นอันนั้นเนวายานปัญญารูเนี่ยเป็นวิปัสสนาขึ้นมาการปฏิบัติจรงออกไปแก้ทุกข์ได้ การปฏิบัติแบบที่ผมนำมาเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นพระปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นเล น, นปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นญาติเป็นโยมปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติได้เหมือนกันรู้เหมือนกันทุกคนเพราะทุกคนมันมีกายมีใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นห ผมกล้าและยืนกันรับรองอย่างนี้มาหลายครั้งหลายหนตั้งแต่ปีนี่เนี่ยผมรับรองมาปีสองพันห้าร้อยคนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคำสอนของพุทธเจ้าไม่มีอะไรมากนอกจากเอามาแก้ทุกตัวเราเท่านั้นเองเมื่อเรารู้เราก็เอามาแก้ทุกตัวเราเมื่อเราไม่มีความทุกข์แล้วไปสอนคนอื่นเขาจ้องไม่มีทุกข์ เพราะคนมันมีทุกข์มีทุกข์เพราะคนคิดนี่เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นคมคิดนี่เนี่ยตัวคนคิดจริงๆนั้นมันก็ไม่ได้มีทุกข์ที่มันมีทุกข์เกิดขึ้นคือเราคิดขึ้นมาเราไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นไม่ทันเข้าใจคมคิดอันนั้นมันก็เลยเป็นโลคเป็นโกรธเป็นหลงไปที่มันเป็นโลคเป็นโกรธเป็นหลงไปนั่นมันก็นําทุกข์มาให้เรา ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจิงสอนให้เราอะคอลระมัดระวังที่จิตที่ใจเราไม่เคยดูใจเราบางคนเกิดมาจนตายจะมีบางคนไม่เคยดูชีวิตจิตใจของเราเนี่ยด้วยฉนั้นการปฏิบัติธรรมะก็ไปปฏิบัติที่อื่นไปปฏิบัติอย่างที่เขาพูดกันเข้าไปอยู่ในถ้า ในป่าหรือไปอดข้าวเนี่ยไปอย่างนั้นหรือไปนั่งหลับตากันเนี่ยไปอย่างนั้นอันนั้นแป ว, ว่าคนยังไม่รู้คนยังไม่รู้ทำไปตามเขาคิดอย่างไรก็ต้องทำไปอย่างนั้นมันไม่ได้ไประโยชน์เท่าที่ควรอย่างที่ผมเล่าเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในถ้ำ ไม่ต้องไปหยุดตาไม่ต้องไปที่ไหนเนีะเราต้องอยู่ที่ตัวเรานี่แหละไปไหนมาไหนต้องปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไปบินท บ, บาทล้วก็ดูใจเราไปเมื่อมาสัน่นเราก็ดูใจของเราหรือดูการเคลื่อนไหวของเรานี่เป็นการปฏิบัติธรรมะหากเป็นโยมมนเนี่ย ไปทําการทํางานก็ต้องดูใจของเราเมื่อเรากําลังพักผรอนแล้วก็ดูใจของเรานี่เป็นการปฏิบัติธรรมะนี่แปลวปฏิบัติธรรมและไม่ต้องทําการไม่ต้องทำงานไม่ต้องคิดไม่ต้องหาอันนั้นไม่ถูกผมเคยทํามาแล้ว คนาทางไหนนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยใครใครมีมีคนโกรธอยู่นี้เนี่ยถามไม่มีใครมีตรงโกรธครับใครมีตรโกรธออนถามเนี่ยใครไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครโกรธนะครับเนี่ยแล้วในขณะบางครั้งท่านโกรธเป็นไมเป็นครับแล้วมันมันมันมาจากที่ไหนท่านเห็นไหมไม่รู้ครับนททนนนเนี่ยคนที่ไม่รู้นี่ครับมันเป็นคนลืนตัว มันนู่แหละอระพุะทธ้าท่านสอนไม่ใช่ว่าท่านรักษาศินเท่งคัดแล้วคนโกรธมันหายนหมอธิไม่หายเมื่อคนโกรธไม่หายท่านมีสินไะมไม่มีครับเนี่ยก็ท่านเองเนี่ยสิน น, นี่แปลว่ปกติเดี๋ยวนี้ท่านจิตใจท่านเป็นปกติอนนี้หละที่ท่านมีินทานเมื่อเวลาใดขณะไหน วินาทีใดที่ผิดปกติใ น, นเสว่าสินไม่นีท่านจะไปอดข้าวอดน้ำก็อดจนตายยังไม่มาดูที่ตรงนี้ไม่มาศึกษาที่ตรงนี้ไม่รู้จริงๆหนึ่งเป็นย่งไงผมเคยเคยรักษาสินผมเคยเป็นโยมไปรักษาอุโบสถสินผมรูกว่าผมมีสินนี่เป็นยังง แต่เมื่อมาพิจารณาแล้วสิงแปลว่าปกตินี่คาผิดปกติไปแล้วแ่ลว่าไม่มีสิ่งโลภะเกิดขึ้นอยากได้ของคนนั้นคนนี้อั น, นั้นก็ไม่มีสิ่งแล้วโทสะเกิดขึ้นคิดอิจาริสยาคนนั้นคนนี้อันนั้นก็แ่ลว่าไม่มีสิ่งแล้วเพาโมหะมีอคมุมอยู่ไม่รู้จริงนี่น อันไม่ได้จริงทุกตอนไม่มีสินให้เขาใอย่างยังสินแปลป ก, กติคือไม่มีดีไม่มีชัว่วคือเสือเสแหละไม่เป็นคนมีสินในขณะนี้เนี่ยพวกเรามีศินพระก็มีศินเงินก็มีศินญาติโยมก็มีศินถ้าหักผิดปกติขึ้นมาเวลาใดเวลานั้น ให้พวกเราคิด เ, เราตายแล้วเราไม่มีศินแล้วเรามีทุกแล้วไม่เป็นนั้นคนเป็นปกติคนมีศินนั่นจึงว่าการทํางานพูดคิดอะไรต่างๆไม่พลาดผิดเพราะคนมีศินมันจะผิดจะทําไมคนที่พูดแล้วไม่มีศินผิดทางนั้นเพราะสินเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเราเคยพูดกันอย่างนั้นใช่ไหม เนี่ล่นอันคนโกรธนี่มันยากไนมะ่ยเล่นมันละเอียดยากครับเนี่ยทุกทกคนต้องรู้อย่างนี้มันยากที่สุดเนี่ยเนี่ยแล้วถ้าหากว่าท่ามีนความโกรธอยู่แล้วท่านจะมีสีนได้ไหมแล้วก็มีไม่ได้อลยสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางนะครับอย่างกลางก็มีควมเคลื่อนไหวปัญญาเป็นเครื่อ ง, งกําจัดกิเลสอย่างละเอียดยก็ต้องอย่างละเอียดก็ต้องกําจัดโมหะ มันเปนงีน้มันนคู่กันมีโทสะมีโมหะมีโลภะทันว่า อ, อย่างนี้เมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเขาเรียกว่าอะโทสะอะโมหะอะโลภะโทสะโมหะโลภะไม่เกิดขึ้นได้เพราะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่อ า, า ย, ยา น, นที่ผมพูดนี้อันนี้ตัวได้ยิน ได้ฟังไม่จำไว้เมื่อเราไปไหนมาไหนความคิดมันยูบขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราจองทำบ่อยๆ อ, อันนี้คอยดูคอยมอเมื่อเราดูบ่อยๆเราก็เห็นเราก็รู้เมื่อเราเห็นเรารู้ความคิดอันนั้นมันไม่มีโทสะมันไม่มีโมหะมันไม่มีโลภ ข โ, อโระอะโหสอะโมหอะอโลภะเพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญารู้เท่ารู้ทันรู้จักตันรู้จักแก้อันนี้เป็นติดเล่นต้นที่สุดการปฏิบัติธรรมะบางทีปฏิบัติให้รู้ที่ตัวเราไม่ต้องไปรู้ใครที่ไหนไม่ต้องไปรู้เทวดาไม่ต้องไปรู้สวรรค์ไม่ต้องไปรู้นรก ไม่จะเป็นรู้ใครทั้งนั้นนี่แหละที่เราสวดกันหนักธรรมะคุณสัมถิอโ ก, โกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองมันไม่จะเป็ปรู้มาจากกำหนักตำลาเราเห็นเองรู้เองเข้าใจเองไม่จะเป็นคนเกียจค้านถ้าเป็นคนเอาการเอางานถ้าเป็นคนขยันอากาลิโก แปลว่าเมื่อประกอบการแลือเวลาอยากตีเวลาไหนกะ็ตามการปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติดูทุกลมหายใจถ้าเรามีลมหายใจอยู่ก็ต้องปฏิบัติธรรมะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะก็ชื่ว่าเราหมดลมหายใจเป็นอย่านั้นไม่ใช่เราไป น, นึกไปคิดเอาหวังเอาอันนั้นไม่ไม่เป็นอย่างนั้นคือเราเป็นนึกไปคิด ไปหวังเอาอันนั้นไม่สมหวั ง, งไม่สมหวังสมมติว่าเราต้องการอยากมีเงินแต่เราไม่ทำงานมันก็ไม่ได้เงินอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องการปฏิบัติธรรมะเราอยากรู้ธรรมะเมื่อปฏิบัติมันก็ไม่รู้เราแม่งคิดเอาอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ที่เราเรียนมาอันนั้นเปิดไม่รู้ คเอาเองคิดเอาแล้วเขาคงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อมันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันโกรธขึ้นมามันจะมีประโยชน์อะไรอนะขันที่เราจะโกรธขึ้นมาคนโกรธนี้มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านชอบนะไหมไม่ชอบเมื่อไม่ชอบท่านจะทํำยังไงมันจึงจะไม่โกรธขึ้นมามีสติเข้าไปรู้ครับ เมื่อสติเข้าไปกำหนดรู้เมื่อสตินั้นอ่ะเข้าไปกำหนดรู้เมื่อสติเข้าไปกำหนดรู้แล้วมันเขาไม่ต้องโกรธใช่ไหมใช่ครับอันนี้ลยเป็นการปฏิบัติธรรมะเรื่องต้นที่สุดตุดแรกที่สุดมันไม่โยมพระโกรธเป็นไหมเป็นครับเนี่ยเป็นโยมโกรธเป็นไหมเป็นครับเนียมันไม่ยกเรื่องใครทั้งหมดเลยคนมีเงินมากๆก็โกรธเป็นใช่ไหม นคนจนๆก็โกรธเนเหมือนกันใช่ไหมอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมะที่ปฏิบัติได้ทุกชั้นทุกไรนเป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติได้เป็นใครๆปฏิบัติได้ทั้งนั้นเพราะปฏิบัติเพื่อแก้ทุกนี้เองถ้าเราไม่มีทุกเลาไม่ต้องปฏิบัติธรรมะแล้วแต่ในขณะนี้เราไม่มีทุกแต่เมื่อเหตุเกิดขึ้นมันมีทุก เราต้องเตรียมไว้ที่้ า, าเป็นผู้ไม่ตา ม, ม, ามเราไม่มีทุกเราต้องศึกษาฝึกฝนอบรมปฏิบัติเอาไว้เมื่อเราศึกษาฝึออกฝนอบรมปฏิบัติเอาไว้เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นสะกดหน้าเราเราจะแก้ได้ทันทีนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราแก้ไม่ได้ก็เพราะเรายัางไม่ได้ปฏิบัติธรรม ก่อนที่เราจะนำเอาความรู้ไปสอนคนอื่นนั้นเราต้องรับรองได้มีวิธีอย่างนั้นจะปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงเข้าใจอย่างนั้นมันต้องเข้าใจไม่ต้องจะไปพูดอะไรแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอานนั้นมันไม่แน่นอนนี่ผมพูดนี่ผมรับรองได้ไม่ต้องไปศึกษาเล่เรียนอะไรมากถ้าหาว่าเรามาศึกษาปฏิบัติที่ ตัวเราแล้วนี่แหละถูกต้องถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะครับทำกลมรู้สึกตัวทำกลมตื่นตัวอยู่เสมอรู้ทั้งการเคลื่อนไหวทางรูปกายก็ให้รู้และจิตใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้ทําอย่างนี้แหละทำบ่อยๆไปไหนมาไหนก็ทําอย่างนี้บ่อยๆไม่ต้องคิดวิตกกังวลอะไรทั้งหมดเลย มันคิดมานก็ปัดทิ้งไปเลยเราอย่าไปรู้กับมันอันนี้เป็นวิธอฝึกหัดเมื่อเราฝึกหัดความเคยชินมันมีครับควเคยชินมันมีพอดีจิตใจมันไหวตัวขึ้นมาเราจะรู้ทันทีเมื่อเรารู้ทันทีแล้วคนคิดมันก็เลยไม่ได้ตึงมันก็เลยไม่มีทุกข์เหมือนกับเราอยู่ที่นี่เรามีไฟฟ้าเนี่ย มันมีดคนที่ไม่รู้ถึงเวลาเราต้องการคมสว่างก็ไปจับลอดไฟหมูลอดใส่จะมีไฟนะไม่เหนะ็นนะเนี่ยบันมืดคนที่กลาเ น, น, นั่นมันถึงเวลามันมืดเราอยู่ที่มืดเราต้องการคมสว่างเขาไปจับเอาสวิตซนะ์มันไปไฟมันจะสว่างไปไหมสว่างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับควมโกดควมโลภคนหลงไม่ต้องผมนึกไปคิดในมัน แต่และามีสติคอยดูจิต ด, ดูใจนี่แหละพอดูมันคิดเราเห็นเรารู้มันก็มีความสว่างขึ้นภายในใจเราเราก็แปลว่าเราไม่อยู่ในทีน่มืดมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาสิ้นเป็นนังรักษาศิ้มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอดอาหารมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ทั้งหมดเลยแต่เราอดอาหารก็ดี รักษาศินก็ดีอันนั้นมันเป็นเปลืกเป็นพื้นมันแต่เมื่อเรารู้มีคนที่รู้มนาะสอนเราจริงๆแล้วเราจับจุดเดียวเท่านั้นใครได้ทําการทํางานอะไรก็ใส่ได้เราคิดว่าอยากไปรักของคน น, นี่ก็ผิดศีลมันีอันรักของเขานั่นนะเขามารักของเราจริงยังไงเราพอใจนหะมถ้าคนอื่มรักเราไม่พอใจ เมื่อเราไปรักของคนอื่นคนอื่นเขาจะพอใจไหมไม่พอใจเออเราก็เห็นอย่างนี้เนี่ยบางทีเราไปตีคนอื่นนะบางทีคนอื่นจะพอใจไหมไม่ไมบางอีคนอื่นมาตีาาเราจะพอใจหมไม่เราไปโกรธคนนั่นคนนี้แล้วคนที่รับคำโกรของเราเขาจะพอใจ ม, มพอใจบางทีเขามาโกรธเราเราพอใจั้ย อันนี้แหละปฏิบัติธรรมะให้มันให้นรู้อย่างนี้ให้เราเห็นอย่งนี้อยู่ตลอดเวลาเราพูดอย่างสบายๆใครจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ที่เราพูดให้เขาฟังอันที่เราพูดธรรมะให้คนฟังนั่นแหละแต่คนเมื่อเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาจะตำหนิเราเขาจะมินทาเราอันควรมตำหนิคนาินทานนั้นเขาไม่เข้าใจว่าเขามีทุกข์ คนที่กําลังตำหนิเรานะ่ะคนนั่นมีทุกข์แล้วที่เขากําลังยิงธาเรานะเขามีทุกข์แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีทุกข์แต่เราต้องเฉยได้เขาตำหนิเราเขายินธาเราเราก็เฉยได้เขาสนับสนุนเราเขายกย่องเราเราก็เฉยได้เพราะเราเห็นว่าควาทุกข์นี่มนไม่มันไม่ได้มีคนอื่นเอามาให้เราเราคิดขึ้นมาเอง คนเดียวเราเมื่อคนอื่นพูดให้เราเราปฏิโสธได้คําพูดของคนนั้นเพราะเรายู่นคนคิดเราแล้วนี่เราก็ไม้มีทุกข์เลยนี่เนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้ายจุดนี้เป็นจุดสําคัญจุดเรื่องต้นที่สุดทุกคนควรศึกษาทุกคนควรปฏิบัติทุกคนควรรู้ถ้ารู้จุดนี้แล้วมังก็ค่อยรู้ค่อยเป็นค่อยไป เราอยากเข้าใจว่ามาที่นี่อย่างที่เรามาวัดสนามในเนี่ยนอกจากนึกว่าเป็นสำนักปฏิบัติเราอยากอยู่อย่างไรก็อยู่ไปอยากกินอย่างไก็กินไปไม่มีการประพฤติปฏิบัติอันนั้นไม่ได้ผลครับบางคนปฏิบัติแล้วก็เเข่งตึงไปหวังว่าจะเอาจิงเอาจังสอวันสามวันหาย ไ, ไปเลยนย่างยังไงไม่จริง แต่ว่าคนไม่จริงคนที่จริงนะครับผมพูดตัวผมเองคนที่จริงไม่ต้องพูดอะไรมากถึงเวลาก็ต้องทำเรื่อยๆไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ทำเรื่อยๆไปทำขึ้นในใจเราไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรมากคนที่บางคนเอาจริงเอาจังนิดเดียวเท่านั้นเองก็ไปคุยกับเพื่อนไป่แล้ว อ, อันนั้นไม่จริงเหมือ น, นกับคุถัง มันล้วนก้่นมันนุ่ตูดมันเราเอาน้ำเทลงไปน้ามันไม่ติดมันก็ล้วนนี้หมดมันก็นไหลออกไปตรงนี้เ ม, มื่อน้ำไม่ไม่มีแล้วเราก็ไม่มีอันกินเราต้องการน้ําก็ไม่มีอกิ น, นแต่เมืคนที่เก็บน้ำดีเราก็อยู่นําเพื่อนเราก็เงียบเงียอยู่คนเดียวก็เงียบเงียบคือเราดูใจเราไม่ต้องพูดต้องคุยผพจะไปฟังเพื่อนพูดคุยเราก็ดูใจแล้ว เหมือนกับผู้ถังหรืออะไรที่มันละเอียดดีที่มันไม่แตกไม่ทะลุเอาเนื้อเทลงไปมันก็เก็บน้ำได้เพราะมันละเอียดแล้วนี่มัานวดเป็นวิธีปฏิบัติจริงๆการนวดเนื่อมันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่การดูการคิดของเราไม่ใช่ดูอาวันเดียวนะควรคิดอะไรที่มันเคยติดต่อกันเหมือนลูกโซ่มันเป็นวงจรรู้เท่ารู้ทัน รู้จักกันรู้จักแก้ไมจักสะสมเอาไว้มันจะทะลุขึ้นมาเองไหมจะเห็นเองรู้เองเข้าใจเองเรื่องโลกเรื่องโกดเรื่องเหลงนี้อันนี้แหละเป็นจุดสําคัญครับเมื่อเราทํานายจุดนี้ได้ เ, ไดเรกเ า, าก็เป็นพระได้โยมก็เป็นพระได้พระก็เป็นพระได้เนรก็เป็นพระได้มีคําสอนของพวกเซนเขาพูดกัน อายุห้าปีหกปีแล้วอเก้าปีสิบปีเป็นพระได้พวกเราเคยได้ยินยนเนินก็เป็นพระอาญาบุคคลได้สมัยก่อนกอ่อเนเคย ไ, ได้ยินไหมในสมัยก่อนก่อนยานเนินก็มีการบรรลุเป็นพระอาญยบุคคลได้เคยได้ยินไหมไม่ใช่จะมาบวชอันนี้อันนี้มัเป็นเรื่องสมมุติมันเป็นเรื่องสมมติเรื่องจิตใจมันสมต ม, สมติไม่ได้มันเหนือ เนื้อจากการสมมุติไปจริงอันนี้เบื่อแล้วก็ติดไปเพวลากระวบิดมาอันนี้จึงกักเป็นเรื่องสมมุติถ้าเราศึกษาถ้าเราเลืองจากเรื่องสมมุติจริงจริงบรรดาคนส่วนมากสาวฟุตที่เองไม่ค่อยรู้จักสมมุติทำไมจึงไม่ค่อยรู้จักสมมุติพราคนสอนกันเป็นเรื่องสมมุติสอนกันมาก พระพุทธรูปเนี่ยผมเองไม่ค่อยรู้แต่ ก, ก่อนผมได้ฝ้าพระพุทธรูปนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทเข้าใจอย่างไงกระบือเมื่อ ม, มีแล้วจะไปทำลายแต่เมื่อไม่มีแล้วก็เฉยเฉยได้เดี๋ยวนี้ผมเฉยได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันเป็นเรื่องสมมตินีเมื่อท่ากนไม่ได้สอนผมท่านเคยเห็นพระพุทธรูปไหมเคย <Okay. S 1> แล้วท่านสอนนะ พูดอะไรกับท่านน ะ, ะก็มือก็นท่นั้นเองไม่มืก็เท่านั้นเองแต่ธรรมตัวของเราเป็นพระแล้วกป่าไปได้ไมันเป็นยังไงพระแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐอนนั้นท่านไม่สอนเรามันเป็นเพียงสมมติเป็นวัตถุเหมือนกับเราที่มาบวชนี่แหละบวชก็เป็นสมมุติเป็นวัตถุแค่นิดหนึ่งเราเห็นไม่ไดตาเมื่อที่ยวทาลายคนโกรธข่โลกข่มหลวง น, นั้น อันนั้นนหะเป็นพระโดยเหนือสมมติไปงนไม่เห็นเขาเรียกว่าเป็นกัจจธรรมคืออย่างท่านดูเดวนี้เนี่ยอันนี้แหละแต่แลราให้ดูให้อันมันเป็นอย่างนี้ไปตลอดเดวลามันมีแล้วอยู่ในคนก็คนเลยไม่มาสนใจที่ตรงนี้พอดูมันโกรธขึ้นมาเราก็เลยไม่เห็นไม่รู้มันเป็นทุกมันเป็นเพื่อราก็ดิ้นรนขึ้นมาลนแล้วไปไป ยิทาว่ากล่าวคนนั้นคนนี้หาว่าคนนั้นคนนี้พูดให้เราตัวควรจริงเขาพูดเรื่องของเขาเขาไม่ได้พูดเรื่องของเราสมมติเขาเรียกว่าหม า, าสุนักเนี่ยแล้วก็หาว่าเขาพูดให้เราตัวควรจริงคนที่พูดให้เราเนี่ยเขาเป็นสุนัขเป็นหมาเพราะเขามองคนไม่เห็นคนเป็นคนแล้วจิตใจเขาเป็นหมาเป็นสุนัขเราก็เฉยได้อย่างนี้เพออราะเราเห็นได้อย่างนี้อันนี้ปรียญของปัญญาลุ้ ยามรู้มันเร็ว <c> ใ <oughs> เข้าใจอย่างไงอันนี้เราจะไปหาว่าเขาพูดให้เราแต่เราโองโงูที่สุดอันนี้นี่มันเป็นั้นวิธีปฏิบัติมันไม่มากที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องจดจำเอาไว้วิธีปฏิบัติ ง, ง่ายๆเราต้องทําตัวของเราเป็นพระเป็นพระเป็นเมงก็เป็นพระเป็นเมงอยู่ในวัเนดเป็นญาติเป็นเมมก็เป็นพระอยู่ในบ้านในเรืองก็ได้ ท่นนี้เนี่ยเป็นทางไปสวรรค์เป็นทางไปนิพพานถ้าหากว่าเป็นภาดเป็นเนยมีโกส์มีโรคมีหลวง ก, ก, ก, ก็เป็นทางไปนรกเหมือนกันท่านจึงสอนเอาไว้คนโบราณว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจหรืออกในใจนี่เนี่ยมันมันไม่ไช่มันมองไม่เห็นอันนี้ให้เข้าใจกันที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้ก่อนสมควรแล้วอขอหยุเดเพียงแค่ในวันนี้นะมีมังคุเขากันนะปักกา